้องสร้างเหตุที่ไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ใช่ไม่ฆ่าอย่างเดียวนะมีเจตนาที่เป็นเจตนาศีลแข็งแรงด้วยความไม่โลภที่เป็นเจตสิกศีลก็แข็งแรงความไม่โกรธนอกจากไม่ฆ่าแล้วยังไม่เคยคิดเบียดเบียนเขาเลยไม่คิดประทุษร้ายเขาเลยไม่เคยโกรธเขาเลยเป็นใจเป็นไปกับเมตตาและให้ชีวิตทุกชีวิตให้เขามีพลังร่างกายที่ดีให้เขามีความสุข ให้อาหารเขาให้เสื้อผ้าเขาให้ที่อยู่เขา โ, โห่ลองคิดดูที่สิ่งของใดๆที่จะทําให้เขามีกําลังวังชาก็ให้ก็อะไรต่างให้ของต่างๆก็ให้ของดีๆมีวิตามินดูแลสุขภาพโค้กูวีบุญทั้งหลายเหล่านี้เราก็ว่ากันไปตงกุศลกรรมลองทําอย่างนี้มาที่จะกลายเป็นบุคคลที่มีส ภ, ภาพกําลังขนาดไหนใช่ไหมโราเราเคยไม่ทําอย่างปราณีทำอย่างดีวิเคราะห์เบ็เสร็จของแบบนี้ดีแน่นอนเราจะดูแล สงสาร voke ของพระพุทธเจ้าดูแลพระพุทธเจ้าเชื่อดูแลพระธรรมดูแลพระรัตนตรยัยทําให้พระรัตนตรัยเจริญรุ่งเรืองโดยเกี่ยวข้องกับกระแสชีวิตของท่านผู้นี้องสมมตินี่ยมันไม่ใช่แค่ดูแลอย่างยกตัวอย่างนะมีอุบาสกท่านหนึ่งเป็นผู้ที่ทรงธรรมคําสอนแล้วมีคนคนหนึ่งไปคอยดูแลอุบาสกวันนีดูแ ล, แลตรวจสอบกระแสชีวิตของท่านผู้นั้นให้ดีเลยเพื่อจะให้พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหลในกระแสชฉนะของท่านผู้นั้น พระไตรปิฎกจะได้ประชุมอยู่ในกระแสชีวิตของท่านผุ้นั้นเมื่อพระไตรปิฎกประชุมอยู่หน้าที่ใดเชื่อพระเจ้าประทับอยู่หน้าที่นั้นด้วยเชื่อว่าความเจริญแห่งสังขาัตนะก็จะปรากฏหน้าที่นั้นด้วยเชื่อว่ากําลังดูแลประคับประคองให้พระรัตนะไตรของพระสัมมาสามพุทธเจ้านั้นเป็นไปในกระแสขันธ์อายตนะอย่างยาวไกลด้วยถามว่ากุศลที่เราทําอย่างนั้นจะยิ่งใหญ่ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นเนยนะอันนี้เขาเลือกฉลาดในการที่จะเจริญกุศลพอจะมองเห็นไหมล่ะ นี้ลักษณะอย่างนี้ก็เป็นเหตุทําเป็นปัจจัยทําให้เป็นคนที่มีพลังกาลังหรือมีกําลังเยอะทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าเห็นเมฆตั้งขึ้นก็วิ่งวิ่งก็สู่สล า, าหลังหนึ่งพวกทาลกเหล่า น, นก็เพา ว, วิ่งตามพระโพธิสัตว์ไปทีหลังเหยียบเท้ากันแล้กันพลาดบั่งหกล้มบั่งเข่าแตกคงว่าแตกกันเนี่ยลองกระจององี้ยเนี่ยนะเด็กอายุเจ็ดขวบเนี่ย พระพุทธศาสนาก็คิดว่าอู้คนลําบากกันนะั่เพื่อนเพื่อนลำบากตรงนั้นคนเจ็ดขวบคิดได้แล้วใช่ไหมไม่ อ, อยากกันนั้นเลยควรทําศาลาที่เล่นนะสถานที่นี้ตรงนี้อืดูไหมดูเลยเนี่ยคนอายุหกขวบเจ็ดขวบเนี่ยคิดในการวางแผนอยากจะสร้างศาลาการประเรียนอยากจะสร้างศาลาแล้วสถานที่ต่างๆถามหน่อยเจ็ดขวบคิดพวกนี้ไหม มีอัธยาศัยคิดแบบนี้ไหมล่ะอันนี้ปัญญาไหมเนี่ยเนี่ยปัญญาเจ็ดครอบด้วยมากเราก็ไม่มีอะไรเราตื่นเช้ามากกัแบมือแม่ขอตังค์ใช่ไหมไมามีอะไรยังไม่มีอะไ ร, ะไรแล้วไม่มีความคิดความอ่านอย่างอื่นเลยนะที่จะทําประโยชน์นี้ไม่มีเลยนี่ท่านคิดเลยนะเนี่ยถ้าอยากจะทําศาลาเป็นที่เล่นในสถานที่นั้นเราทั้งหลายจะไม่ได้ลําบากก็แจ้งแก่ทาโรท่านะพวกเราจากลําบากด้วยลมด้วยฝนด้วยแดดพวกเราจกสร้างศาลาหลังนี้ในที่นี้ ให้พอเป็นที่ยืนเป็นที่นั่งเป็นที่นอนได้เธอทั้งหลายจงนำกะหาปะนะกะหาปะนะนะมาคนละหนึ่งกะหาปะนะเห็นไหมบอกว่าเริ่มเรียร้ายเป็นตั้งแต่เด็กแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เงินค่าขนมนี่แหละใช่ไหมหนึ่งพันคนก็ได้หนะนึ่งพันกระหาปนะบอกนำกะหับปนะ้ารกเหล่านั้นก็กักกระทาตามเพราะบริษัทก็เรียกนายช่างมาเลยเอาสิเรียกนายช่างใหญ่มาเลย บอกอาช่างใหญ่จัดการหน่อยเข้าใจเลยไหมให้มาเบสเสร็จก็มาปรึกษาถามนายช่างค้าแต่พ่อท่านจะสร้างสละตรงนี้ได้ไหมแล้วให้กรหาปณะหนึ่พันแกเขานายช่างใหญ่รับคำรับกะหาปณะไปแล้วก็ปรับพื้นที่นะปรับพื้นที่ให้สมขุดหลักขุดตออะไรต่างออกนะแล้วเอเชือกขึงกะที่พระโพธิสัตว์เห็นวิธีปรับพื้นที่นะ เ, เห็นวิธีขึงเชือกของนายช่างเบเสร็จปุ๊บ เมื่อจะบอกจะกล่าวบอกท่านผู้เจริญท่านอย่าขึงเชือกอย่างนี้จงขึงอย่างนี้ได้ไหมเอาแหละเริ่มเริ่มแล้วใช่ไหมว่าอี๋ขึงอย่างนี้ไหมบอกนายช่างกล่าวว่านายบอกว่าข้าพเจ้าขึงตามเหมาะสมแก่ศิลปะของตัวเองบอกว่าไอ้ที่เรียนมาเนี่ยการกะพื้นที่การขึงเชือกเนี่ยที่เรียนมาเนี่ยมันหมดแล้วนะหมดภูมิแล้วเองพระโพธศาสนาเด็กเด็กที่ยังเป็นเด็กน้อยบอกว่าบอกว่าอี๋ถ้าทําแบบนี้ท่านทําได้ไหมเนี่ย วิธีขึงวิธีปรับพื้นที่แบบเนี้ยบอกว่าไม่เคยทําก็เลยว่าอย่างอื่นนอกจากนั้นข้าพเจ้าไม่รู้พระมหาโพธิพระมหาโพธิสัตว์ก็ว่าแม้เพียงเท่านี้ก็ไม่รู้บอกถามอกว่าท่านจักรับทราบของเราทํำสลาได้อย่างไรจงนําเชือกนั้นมาว่าเราจะขึงให้ท่านดูบอกงั้นเอางี้เดี๋ยวเราจัดการให้เอาเชือกมาก็พระโพธิสัตว์ก็ทําให้ดูเลยนัขึงให้ดูเลยนําเชือกมาแล้วก็ขึงเองเชือกที่พระโพธิสัตว์น่ะขึงนั้นน่ะ ได้เป็นประหนึ่งว่าวิศนุกรรมเทพประบุคือขึงเนะี่ยหมายความบอกว่าจัดซอยรู้เปล่าจัดแบง่งว่าเป็นห้องอะไรห้องอะไรห้องอะไรเนะี่ยจัดขึงทําเป็นล็อกทําเป็นตารางคือทําอย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมคือให้ในายช่างทําให้ดูแล้วก็เอ๊ะไม่ถูกใจเลยเนี่ยเอ๊ะนี่ทําไม่ค่อยฉลาดในการทําเลยเนี่ยไม่คํานวณห้องเลยว่างั้นเถอะเพราท่านมาเบสเสร็จแต่ท่านมาขึงให้ดูพระบริษัทก็กะนายช่างว่าท่านสามารถขึงเชือกอย่างนี้ได้ไหม บอกง่าก็ขึงให้ดูนะวิ่งทําให้ดูปุ๊บปุบปบ๊อย่างเร็วๆ เ, เนี่ยนะทำเป็นห้องสารพัดห้องให้ดูเบ็ยเศษปุ๊บเนี่ยถามว่าท่านทําได้ไหมเนี่ยท่านขึงแบบนี้ได้ไหมบอกไม่ได้ในช่างใหญ่ก็บอกว่าทําไม่ได้อะไรแบบเนี้ยพระโพธิสัตว์ก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นท่านสามารถจะทําตามความเห็นของเราได้ไหมเอาอะไรแต่เนี้ยเขา้าใจอย่าเออถ้าทําตามเห็นถ้าท่านกะให้อะไรใ ห, ให้ให้เราทําตามแบบเราทําได้ แต่เราคิดแบบอย่างท่านเมื่อกี้เราคิดไม่ได้เออทั้งนี้แสดงว่าท่านจะทําตามเราใช่ไหมนี่ดูปัญญาไหมเนี่ยเริ่มจะเข้าใจเรื่องปัญญาหรื อ, อยังประเสริฐกรทรับไหมเริ่มประเสริฐแล้วนะทีนี้พระโพธิสัตว์ก็จัดสลาแบ่งส่วนๆห้องสําหรับหญิงอนาถาไว้คลอดห้องหนึ่งทําที่ขึงทั้งหมดเนี่ยนะห้องสําหรับสมณะพาหมณ์ผู้เป็นอาคารทุกกะจะมาพักอีกห้องหนึ่ง ทำ เ, เสเ็แล้วก็ห้องสำหรับครือหา่ายพวเป็นอาคารธุกกามาพักอีกห้องหนึ่งหรืออีกห้องหนึ่งสำหรับเก็บสินค้าพ่อค้าที่เป็นอาคารธุ ก, กาาที่จะเดินทางมาจะได้ที่พักอีกห้องหนึ่งห้องสำหรับทั้งหมดนั้นเป็นประตูมีประตูทั้งหมดมีประตูหน้ามุกด้วยแล้วก็ให้ทำสนามเล่นทำสนามเล่นเพื่อจะได้เป็นห้องพักผ่อนหย่อนคลายเปต้นเหล่านี้นะและเป็นที่วินิจฉัยปัญหา แต่และห้องดังเบสเสร็จก็มีที่สนทนากันที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่วิิจัยแม้ลงธรรมในลงธรรมาสภาทั้งหลายก็ทําอย่างนั้นเห็นไหมว่าคือทำเบสเสร็จทุกห้องเบสเสร็จแล้วคํานวณคํานวณให้เบสเสร็จแล้วก็กะขึงเชือกให้เบสเสร็จแล้วก็กะบอกให้ในายช่างบอกให้ทําตามนี้นายช่างก็โอ้ยงี้ทำได้เพราะว่ามีคนกะทําแบบให้ออกแบบให้ใช่ไหม ถ้าสรุปก็คือว่ามีคนเขียนแบบให้อย่างดีทีนี้ท่านก็ออกแบบให้เมื่อสล า, าแล้วเนี่ยเมื่อทําในลักษณะนี้ท่านก็แนะวิธีทํำยังไงแนะยังไงทํำยังไงช่างนั้นก็ทําตามนั้นทุกประการใช้เวลาแม้ไม่นานเสร็จเลยด้วยความสามารถของพระโพธิสัตว์นั้นเราเรียกช่างเขียนเลยตอนนี้พอเสร็จเบ็ดเสร็จเอาไปเรียกช่างเขียนมา ให้เขียนให้หน่ารื่นรมให้มีจิตตกรรมกว้างขวางโดยตนเองสั่งเลยเดีวเขาองั้นขอสั่งเองเลยศาลานั้นมีสวนเปรียบเหมือนกับเทวาสุภาก็คือเหมือนกับสุธรรมมาเหมือนศาลาสุธรรมมาในดาวดึงถามว่าทําไมท่านไปจําลองมาได้ยังไงอาจจาลองได้ยังไงรู้ไหมว่าท่านมาจากดาวดึงระดับท่านนี่การระลึกชาติเป็นเรื่องปกติไหมเป็นเรื่องปกติหรือสัญญาความจําเก่าๆนี่ฉลาดไหม ท่ามองก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรงั้นท่านก็จําลองมาเลยจําลองไปเบสเซตเขียนตามเนี้ยเขียนเบสเซต์เนี่ยคือเขียนกิจกรรมน่ยนสะสาราก็มีเปรียบเหมือนกับเทวสภาที่สุธรรมมาแต่นั้นมาพระบฏิศาสตร์ก็ดำลี่ว่าเพียงเท่านี้สาลาหางามไม่กว่านั้นโอ้อยางนี้ถือว่าไม่งามหรอกอยากกันนั้นเลยควรจะสร้างสระโบกกรณีถึงจะงามเอาแล้วให้มีการขุดสระโบกกรณีอีก จึงให้ขุสาโบกขรณีให้เรียกช่างอิไมาให้ก่อก่อสร้างสาโบกขรณีมีคดลดเลี้ยวนับด้วยพันนับด้วยพันเนี่ยให้มีท่าลงนับด้วยร้อยก็คือว่าแมา้คือว่าออกแบบเลยลวดลายเป็นพันๆแต่มีท่าลงไปเล่นเสะโบกขรนีเป็นร้อยเป็นร้อยร้ยท่า หมาะแก่การที่เด็กเป็นพันคนเล่นกันได้โดยไม่ไม่แอาัยัดเยียดและคนที่จะมาด้วยจะได้อาบน้ําจะได้มีความสุขเห็นไหมว่าที่ท่านทําทั้งหมดเป็นทานกุศลไห ม, ไมทานกุศลมีปัญญาเป็นปุเรจาริกไห ม, ไมนี่ไงนี่การเจริญทานกุศลด้วยเจริญเจริญในด้านของทานกุศลด้วยในเจริญศีลกุศลด้วยเจริญภาวนาวกุศลด้วยใช่ไหมล่ะ คนที่มากันได้รักษาศีลด้วยได้พะพฤติจารีศีนก็มีวารีตศีนก็มีมาก็ได้ฟังธทำเดี๋ยวท่านก็เป็นโรงแก้อัดแค่คดีทำของท่านเดี๋ยวเป็นที่แสดงตามของท่านโดยก็เดินึงทีนี้โดยความคิดของตนสาวบกขรณีดาราดาษด้วยปฐมชาติหาชนิดเป็นลาวกับนันนนทนบกขรณีสร้างสวนปลูกด้วยไม้ต่างๆทั้งไม้ดอกไม้ผงผลริมฝั่งสระนั้นเหมือนกับอุทยานนันทวัน นี่จำลองนันทวันมาเลยนะทีนี้เนีและใช้ศาลานั่นแหละเริ่มตั้งทานนวัตเป็นศาลาที่เจริญฐานบุศน์เนี่ยวัดปฏิบัติในการแจกทานเขาด้านทีนี้เมื่อสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติธรรมและผู้เดินทางที่จรมาจาริกมานี่นะการกระทําของมหาศาตร์ของวริศัสตร์นั้นได้ปรากฏในที่ทั้งบวงมนุษย์เป็นอันมาก ได้มาสายศาลานี่ยแล้วเพราะบริษัทนั่งในศาลากล่าวสิ่งที่ควรทําสิ่งที่ไม่แล้วก็กล่าวสิ่งที่ควรนะแล้วก็ไม่ให้ทําสิ่งที่ไม่ควรสิ่งที่ถูกและผิดแก่ผู้ที่มาแล้วเริ่มตั้งแต่การวิจัยการในเป็นเหมือนสมุนก็บอกว่าการนั้นได้เป็นเสมือนสมัยพุทธพุทธ บ, บาตการก็หมายว่าเหมือนสมัยพระเจ้าสถานที่ตรงนั้นก็คือเป็นสถานที่แก้ปัญหา ใครมีปัญหามาเบ็ดเสร็จก็มาฟังท่านก็แสดงท่านก็บอกบอกทัศนาคติบอกวิธีการตอนนั้นพระเจ้าวิเทหาราชการล่วงไปเจ็ดปีนะระลึกได้ว่าไอ้บัณฑิตทั้งสี่กล่าวว่าอันนี้พระเจ้าเป็นดินนะนี้ตอนนี้ก็เจ็ดปีแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่เราฝันมาเนี่ยนะทรงสุบินมาก็เจ็ดปีกว่าแล้วเนี่ยเมอบัณฑิตคนที่ห้าจะเกิดขึ้นเนะี่ย ครอบงำพวกเขาเอ๊ะบัณฑิตคนที่5บัด น, นี้อยู่ที่ไหนไม่เห็นมาขี่เลยใช่ไหมนะโปรดให้อม่าสี่คนไปสืบสาบหาทางประตูทั้งสี่ด้านให้รู้สถานที่อยู่ของบัณฑิตอม่าตออกไปทางประตูอื่นๆไม่พบพระบริสัทธ์อม่าตผู้ออกไปทางประตูทางป่าจีนอาทิตย์นั่งสลาก็คิดว่าอิสลามหลังนี้ต้องคนฉลาดเองเป็นคนทําขึ้นก็ไปที่สลาเนี้ก็โอ้ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยสลาหลังนี้แสดงว่าคนคิดหนีวิจิตมากฉลาดมาก ทำเองหรือใช้คนอื่นทำยิ่งถามบอกว่าเอสลาหลังนี้ช่างที่ไหนยัมาทำอย่เออช่างที่ไหนทำเอ๊คนน่าจะจําลองสลานี้ไปสร้างบางเนี่ยเนี่นะนนะช่างบรรดาพวกเอ่อเขียนแบบทั้งหลายน่าจะมาอ่านสูตรนี้บ้างนะพราะอ่านไปเสร็จก็ไปจําลองแล้วก็วาดทำสลาร์ทำสระโบกกรณีต่างๆแล้วเนี่ยนะีทีนี้และนิช่างไม่ได้ทําเองแต่ให้ทําตามคําวิจารณ์ของมหาสูตบัณฑิตว่างั้น ผู้เป็นบุตรของสิริวัฒกาเศรษฐีบอกว่าเนี่ยโดยกําลังของบุตรของเศรษฐีนั่นแหละอมหา์ก็ถามว่าก็บัณฑิตอายุเทวร า, ายคนทั้งหลายก็ตว่าเจปีบริบูรณ์แล้วอมหาศ์นับปีตั้งแต่วันที่พระราชาเห็นสุบินินมิตก็ทราบโอ้ใช่แล้วเนี่ยบัณฑิตคนเนี้ยสมกับพระราชาทรงทุบินก็ส่งโทษไปกราบทูลพระราชาขอเดชะใต้ฝ่าระอองธุรีพระบาทปกเก้าพระกระหม่อมนี่นะบอกว่าบุตรของสิริวัฒกาเศรษฐีในบ้านปาจีนว่า เยาวามาชครามเนี่ยชื่ อ, มอโมโหสถบัณฑิตนะ ย, ยุ7ปีได้สร้างศาลาสร้างสระบกกรณีและสร้างอุทยานต่างๆว่างั้นข้าพบาทจะพาบัณฑิตนี้ไปเฝ้าได้หรือ ย, ยังตามนีนะพระราชาสับสับเพียเดี่ยวนั้นแล้วก็มีพระไทยยินดีมากก ร, รับสั่งให้สเสนกะบัณฑิตตรัสเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังตรัสถามว่าเป็นอย่างไรท่านอาจารย์สเสนกะถามถามบัณฑิตนถามปุโรหิต เราจะนําบัณฑิตนั้นมาได้หรื อ, อยังสเสนกะ บ, บัณฑิตเป็นคนตนีพอรู้อย่างนี้เบ็ดเสร็จปุ๊บสเสนกะ บ, บัณฑิตว่าไงดีสเสนกะ บ, บัณฑิตตนีอะไรอัตนีอะไรเ อ, นน อ, รอบัณฑิตที่อยู่กับพระราชาเนี่ยพระเจ้าวิทยาลราชเนี่ยท่านตนีอะไรนึกออกไหมท่านตนีเห็นไหม ท่าตั น, นีเกียรติยศชื่อเสียงด้วยตั น, นีลาบสกาลาด้วยใช่ไหมตั น, นีตะกูลตนเองด้วยโอ้โหถ้าหากว่าบัณฑิตมาเนี่ยตนเองก็จะต้องเศร้าหมองลงพระราชาก็ต้องชื่นชมไอต้ตนเองก็จะไม่อยู่ในสายตาด้วยแล้วไหมยศพวกบริวารยศเสื่อมไหมเกียรติยศเสื่อมไหมอิสริยยศเสื่อมไหมโอุพยศทั้งหลายเหล่านี้ก็เสื่อมหมด โอก็เลยบอกว่าบุคคลไม่เชื่อว่าเป็นบิดบันดิตด้วยเหตุถึงการสร้างศาลาเนอะว่างั้นนีบอกว่าสร้างศาลาสร้างสร้างศาลาสร้าง s a b h กขรณีสร้างอุทยานเหล่านี้ไม่ให่เป็นบันดิตใครๆก็ให้สร้างได้ข้อนั้นยังเป็นการเล็กน้อยพระราชาสดับคําของเสน่ก่าบัณฑิตก็ดำริว่าเหตุการณ์ในข้อนี้จะพึงมีก็นิ่งอยู่ก็เลยส่งโทษของอมาตย์กลับไปก็มีดำหลัดว่าอมาตย์จงอยู่ในที่นั่นแหละ พิจารณาดูนะว่าบัณฑิตก่อนว่าอมาตย์ก็ได้ฟังพระพราษฎระะด์ดํารัตนั้นแล้วก็ยับยั้งอยู่บอกอย่าพึ่งเลยทีนี้รวมหัวข้อในการที่พระโพธิสัตว์นี่นะท่านท่านท่านพิจารณาได้บรรดาหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของชิ้นเนื้อวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ไปสู่สนามเล่นกระเด็กนี่นะมีเหี่ยวตัวหนึ่งโฉบเอาชิ้นเนื้อนี่นะจิกโฉบเอาชิ้นเนื้อรู้จักเหยี่ยวไหม เหียวนี่บินสูงไหมเหยี่ยวนี่บินสูงมันโชบว่าบินมาแล้วก็เห็นชิ้นเนื้อก็คาบเอาชิ้นเนื้อบินมาทีนี้พอบินไปทางอากาศก็คื อ, คอเอาเอาชิ้นเนื้อเนี่ยสัตว์ที่บินมาทางอากาศเด็กทั้งหลายเห็นเหี่ยวคาบชิ้นเนื้อมาก็ติดตามไปด้วยคิดจะให้เหี่ยวทิ้งชิ้นเนื้อเด็กเหล่านั้นก็วิ่งไปข้างโนนข้างนี้แลดูเบื้องบน แล้วก็ไปข้างล่างเหยี่วนั้นพลาดเหยียบตอบ้างเหยียบหินบ้างหกล้มลําบากมโหสถบัณฑิตกล่าวกับเด็กเหล่านั้นว่าฉันจะให้เหยื่วนั้นทิ้งชิ้นเนื้อนะว่าไงก็ให้เด็กเหล่านั้นหยุดบอกว่าอย่าไปวิ่งอย่างนั้นมโหสถก็ก็คำนวณดูเมื่อเหยื่วมันฉบจิกเอาชิ้นเนื้อแล้วก็บินไปใช่ไหมเด็กต้องการให้เหยี่อนั้นมันก็บินวนโมโหสถก็ก็บอกกับเด็กเหล่านั้นโมโหสถที่ฉันมีกําลังมาก ท่านก็วิ่งไปด้วยความเร็วเหมือนลมอ่ะคือว่าท่านรู้ว่าเด็กเหล่านั้นไม่สามารถที่จะทำชิ้นเนื้อให้หลุดจากปากเหยวได้ไม่สามารถที่จะทำได้แต่ท่านคำนวณดูแล้วเนี่ยด้วยกำลังของท่านด้วยปัญญาของท่านด้วยข้อมูลของท่านเนี่ยท่านดูแล้วว่าถ้าทำอย่างนั้นไม่เยวจะไม่สามารถที่ ท, ทิ้งชิ้นเนื้อได้แต่ถ้งทาอย่างที่ท่านคิดว่าต้องต้องคนวณท่านบอทิ้งได้แน่นอน ท่านก็วิ่งเลยท่านไม่วิ่งเหมือนเด็กเหล่านั้นนะเด็กเหล่านั้นวิ่งดูเหี่ยวข้างบนด้วยแล้วก็มองที่เท้าด้วยวิ่งไปก็หกล้มเหยียบตอเหยียบน้ําเหยียบก้อนหินบ้างนี่ชนกันเองบ้างเนี่ยนะท่านไม่ทําอย่างนั้นท่านกลับวิ่งดูแต่พื้นอย่างเดียวนะท่านวิ่งนะท่านดูแต่พื้นวิ่งปุ๊บปุ๊ไปเลยนี่นะทําไมท่านดูแค่พื้นล่ะมั้งท่านดูเงาเพราะท่านรู้ว่าตะวันในช่วงนี้มันเที่ยงอย่มั้งฉะนั้นเวลาเหว่ยม เงากับตัวเหี่ยวเนี่ยมันตรงกันเพราะเงากับตัวเหี่ยวมันตรงกันท่านก็จะใช้ความเร็วในการวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเต็มที่ก็เหยียบตรงเงาเหี่ยวพอดีนะเพราะตรงเงาเหี่ยวพอดีท่านก็ตบมือเพราะบริษัทตบมือยังให้ดังแล้วก็ตะโกนใช่ไหมว่าและในขณะเดียวกันเนะ่ยท่านตั้งจิตด้วยนะตั้งจิตในกรณีอห่งการที่ด้วยบุญของท่านเนี่ยว่าทานบา ร, รมีของท่านเนี่ยจชไหมล่ที่ท่านทํามาทั้งหมดเนย ต่างๆแค่เดียวเนี่ยแค่อาหารในปากเดี่ยวมันเป็นทรัพย์ของท่านหรือทรัพไปใช่ไหมล่ะกระแทกถึงอกถึงอกเดียวอยี่ยวตกใจเต็มที่แล้วต้องปล่อยชิ้นเนื้อท่านก็รับชิ้นเนื้อได้แล้วก็เดินกลับมานี่ปัญญาไหมเนี่ยนี่ลักษณะปัญญาเป็นอย่างเงี้ยคึกหนึ่งคำนวณได้แม่นยําแล้วไม่พลาดคํานวณได้ด้วยแล้วแม่นยําด้วยไม่พลาดด้วยแล้วมองใจสัตว์แ ล, ล้วรู้ด้วยใช่ไหม มองด้วยว่ากรณีที่จะให้สัตว์เหล่านี้ปล่อยชิ้นเนื้อเนี่ยทายัางไงแล้วก็รู้กําลังของตนเองด้วยรู้กําลังบุญในอดีตด้วยแล้วก็รู้เหตุในปัจจุบันด้วยรู้ว่าทําอย่างนี้จะได้ผลแบบนี้ด้วยก็คํานวณเสร็จทุกคนก็ตบมือเกลียวบอกโอ้โ oh, หสุดยอดมากเอา้าเราเจอแบบนี้เราเราจะทํำยังไงเนี่ยถ้าอย่างเราเราไหวไหม แค่อย่างนี้ก็ไม่ไหวอย่าว่าแต่เหยียวเลยใช่ไหมเอาแค่เป็ดคาบเนื้อไปมันยังไม่ยอมให้เราแล้วลวิ่งไม่ทันมันด้วยเอาเป็ดเนี่ยวิ่งเบาๆด้วยวิ่งแป๊บ ๆ, ๆไปอนีอมาตก็นําเรื่องนั้นเมื่อมโหสถวิ่งไปด้วยกําลังความเร็วไม่แลดูข้างบนเนี่ยพอเหยียบเงาเหี่ยวก็ก็ตบมือแล้วก็ร้องเสียงดังด้วยเดยเนยยภาพของมหาศัสตร์นะเสียงนั้นก็เข้าไปกล้องในท้องของของเหยียวนั้นนี่ยเหยียวนั้นกลัวก็ทิ้งชิ้นเนื้อ พระโพิษัทว์ก็รว่าเหี่ยวทิ้งชิ้นเนื้อแล้วกดูแลดวเงาในกาศไม่้ตกพื้นดินนะก็รับว่าชิ้นเนื้อเหมาอนั้นโดยดียดยอัศจรรย์จึงบรรลือโ吼ร้องตบมือนะเสียงของของเด็กเหล่านั้ น, นอำมาตก็ทราบพฤติกรรมเหล่านั้นก็ส่งทูตไปบอกกับพระราชาบอโอพระโ ม, โมโหสดเนี่ยให้เหยี่ยวทิ้งชิ้นเนื้อโดยอุบายที่ที่ชานฉลาดมากบอกว่าเราจะนําบัณฑิตนี้ไปถวายท่านได้หรือ ย, ยัง จำเดิมแต่เวลาที่มโหสถกุมารในราชสำนักนะพวกเราสี่คนจากหมดรัศมีนะพวกสเสนกับบฑิตทั้งหลายก็บอกว่าพระราชาก็จะไม่ทรงทราบว่าเรามีอยู่อย่าเพิ่งให้มาในตอนนี้เลยเนะี่ยมาแล้วยุ่งแล้วอย่างเงี้ยนะที่สุดจริงๆก็ห้ามพระราชาบอกว่าการกระทําเช่นนี้ยังไม่จัดว่ามีปัญญาลอกเนะี่ให้ดูไปก่อนดีกว่าลองคิดดูนะว่าตนเองหัวหงอกแล้วใช่ไหม เป็นบัณฑิตอยู่กับพระราชามาก็แก่ขนาดนี้แล้วถ้ามีเด็กสักคนหนึ่งเจ็ดขวบมาเนี่ยแล้วฉลาดกว่าตนเองเกินหลายร้อยหลายหมื่นเท่าเนี้ยทนไหวไหมถ้าระดับปัญญาไม่ดีจริงๆทนไม่ไหวระดับคุณธรรมไม่ดีจริงๆทนไม่ไหวนะเอาให้มันนั่งตรงนี้มีเด็กสักเนี่ยมีเด็กสักเจ็คนเด็กสักเจ็ดขวบเนี่ยบวชเป็นเนนมันนั่งอยู่เนี่ขึ้นมาก็มาบรรยายจบพระไตรปิฎกพูดป๊อปป๊อปแล้วมาทําไงตรงนี้ <laughs> ยุ่งเลยใช่ไหมบอกโอ้ตายแล้วชีวิตนี้ทาไมเป็นอย่างนี้เนถ้าวางใจไม่เป็นก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะโอ้เล่นจำได้หมดเลยไม่ใช่จำได้อย่างเดียวเข้าใจทุกเรื่องด้วยไม่ใช่เข้าใจอย่างเดียวเราพูดคำไหนผิดบอกผิดแล้วท่านอาจารย์หมดสายท <laughs> จริงเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงใช่ไหมล่ะเ <laughs> ข้าใจอย่างเนี้ยเนี่ยบัณฑิตทั้งสี่คนก็ทาใจยากเลือ บอกโอยธรมาแล้ยุ่งแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็พูดเรื่องโครบรุตปาจีนนะชาวปาจีนเยวาวมะชคามคนหนึ่งคิดว่าเมื่อฝนตกเราเนี่ยเมื่อฝนตกเนี่ยเราจะไถนาก็ซื้อโคแต่บ้านอื่นนำมาอยู่ในบ้านรุ่งขึ้นก็เอาไปสู่ที่มีหญ้าเพื่อให้กินนั่งอยู่บนหลังโคเนีเหน็ดเหนื่อยก็ลงไปนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ก็หลับก็หลับไปใช่ไหม ขณะนั้นก็มีโจรเนี่ยมีโจรคนหนึ่งมาพาโคลแล้วก็หนีไปก็จะเข้าใจประเด็นนี้ไหมไปซื้อโคมาต้องการจะมาไว้ไถนาต่อมาก็ให้โคเอาไปกินหญ้าตอนนี้ก็ไม่นอนหลับในขณะที่ไปนอนหลับนั้นก็โจรอยู่คนหนึ่งก็มาือ ม, มาเมาไปเสร็จก็มาเอาโคไป ขณะนั้นโจรก็พาโครบุรุษเจ้าของตื่นขึ้นมาไม่เห็นโคค้นหาเห็นโจรก็วิ่งไล่ไปก็บอกว่าเอ็นี่มันโค้งเราใช่ไหมโจนก็ตอบว่ามันโค้งแกที่ไหนของเราเราจะนํำไปย่องไว้เนี่ยทีนี้ก็เถียงกันว่าเอ๊ะใครเป็นเจ้าของเพราะคนแรกที่ซื้อมาก็บอกเจ้าของใช่ไหมนอนหลับเพราะอาโคไปกินยอาที่เป็นโจนมาลักโคลจริงๆก็ มาเถียงกันไปเถียงกันมาที่สุดจริงๆก็นะําโควมหาชนก็ได้ฟังทั้งสองทะเลาะวิวาทกนันเสร็จเส็จก็พาไปหาโมโหมสถมโหสถบัณฑิตได้ฟังเสียงของคนทั้งหลายก็ไปทางประตูสลาก็ให้เรียกคนทั้งสองมาเห็นกิริยาของคนทั้งสองก็รู้ว่าก็เห็นปุ๊บทั้งๆที่อายุเจ็ดขวบเนี่ยท่านรู้ไหมว่าใครเป็นโจรและใครเป็นเจ้าของรู้ทันที เมื่อไหรเราจะมีปัญญาที่มองหน้าคนแล้วก็รู้ใจขนาดนั้นอะไรอออะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้มองหน้าแลวรู้ความคิดเลยถ้าไม่ใช่ปัญญามันจะใช่อะไรเนี่ยนี่แหละปัญญาอย่างเราก็รู้จิตในจิตภายในบ้างรู้จิตในจิตภายนอกบ้างเยอะเพราะว่ากรณีเหงโลภะจิตเกิดขึ้นอาการของจิตแต่ชรูปก็เป็นอีกอย่างใช่ไห โทสะจิตเกิดขึ้นอาการของจิตต่ชโลก็เป็นอีกอย่างโมหะจิตเกิดขึ้นอาการของจิตแตชโลกอีกอย่างศรัทธาเกิดก็อาการของจิตต่ชโลบอีกอย่างความวิตกกังวลเกิดหรือไม่วิตกกังวลเกิดภาวะจิตที่เป็นเจ้าของหรือไม่เป็นเจ้าของเกิดขึ้นเนี่ยมันก็รู้มองวุบมองอาการมองปฏิกิริยาเบสเซตก็รู้ความชิดเลยอย่เนี่ยแต่พอรู้เบสเซตอย่างนั้นท่านจะไปพูดทันทีก็ไม่ใช่เพราะความฉลาดของท่านเนี่ย ท่านจบอกว่าโอ้นี่ไงเจ้าของนี่ไงไม่ใช่เจ้าของก็ไม่ได้ทํำยังไงให้คนส่วนใหญ่มองเห็นมุมนั้นด้วยท่านก็คิดปุ๊บทันทีเลยตามธรรมดาพระโพธิสัตเนี่ยท่านจะไม่ใช้เวลาคิดนานนะท่านไม่ใช้เวลาคิดนานอย่างเราก็เดี๋ยวขอไปคิดสักสามสี่ชั่วโมงเ อ, อเอามาก็จะเล่าเรื่องให้ฟังเนียมีอยู่ครั้งหนึ่งใช่ไหมอของมันหาย ให้ของมันหายก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาใช่ไหมเอ้ยคนที่อยู่ด้วยเนี่ยเอ้มันใช่หรือเปล่าทั้งๆ ท, ที่เราวางแผนไว้ดีแล้วเนี่ยนะเอ้ยไม่น่าไม่น่าจะใช่คือวิธีการก็คือว่าเอา้าพออยู่ด้วยกันเน็ดเสร็จเนี่เอาเราคุญแจเอาคุญแจเก็บไ ว, ว้เนี่ยกุญแจที่จะเปิดของสิ่งที่สําคัญเนี่ยเราถือกันไว้กว่อนเพราะเราต้องการวัดว่าใจเด็กคนเนี้เนะี่ย เบ็ดสร็ก้ก็กระือแล้วอยู่ต่อมาของนี่หายจริงๆด้วยเราก็รู้ว่าอีกคนนี้แหละมันเอาว่าคนนี้เอาแต่มันเอินไอ้บรรดาเด็กนั้นมีอยู่สามคนใช่ไหมที่เราให้ถือกุญแจทั้งหมดเลยทีนี้มันมีปัญหาว่าเอ๊ะสามคนนี่มันใครกันไอ้มันใครกันแ น, น่โอ้โหดูยากมากแล้วมันนึกถึงเรื่องแบบเนี้ย ย่งมโหสถบัณฑิตเนี่ยท่านไม่ต้องมามาตรวจสอบท่านมองตาพบท่านรู้ทันทีเลยว่าเนี่ยท่านคนนี้เอาเช่อไหมเล่าทีนี้ต้องการจะฟังเสียงคนทั้งหลายก็ไปสู่ศาลาเบีเสร็จแล้วนั้นก็เลยบอกว่าจึงเรียกคนทั้งสองมาเห็นกิริยางคนทั้งสองก็รดว่าใครเป็นโจรใครเป็นเจ้าของแนละ้วแต่ถึงรู้ก็ถามว่าท่านทั้งหลายวิวาทกันเพราะเหตุอะไรก็แก้งถามอยู่เออเนี่ยท่านทะเลาะกันด้วยเหตุอะไรเนี่ยเจ้าของโคก็กล่าวว่าข้าแต่นายข้าพรเจ้าซื้อโคแต่ตัวนี้่ พอซื้อมาแต่บ้านโน้นแล้วมาอยู่ในบ้านเนี้ยนําไปสู่ที่มีญาติแต่เช้าชายคนเนี้ยพาโค้งเข้าไปเจ้าหนีไปวงนะงะคือมาลักไปนะข้าพเจ้าประมาทในเวลานั้นข้าพเจ้ามองหาทางโน้นทางนี้ก็เห็นชายคนเนี้ยก็เลยติดตามวิ่งติดตามมาก็รู้ไอ้คนนี้ว่ารักฝ่ายโจรก็บอกคนนี้ก็ข้าพเจ้าก็ซื้อมาเอาละสิใช่ไห้ใครก็ต้องบอกว่าเป็นเจ้าของแล้วก็เถียงกันว่าพูดปอดพูดเท็จกันก็เถียงกันเพราะ โมโหสดบัณฑิตก็จึงถามชายทั้งสองว่าเอ๊ะถ้าเราวินิชัยเนี่ยความแล้วเนี่ยของท่านทั้งสองโดยยุติธรรมท่านทั้งสองจักยอมรับข้อวิฉัยไหมถามเลยบอกถ้าเราวิชัยเนี่ยนะเออคนทั้งสองก็รับว่าเออจักยอมรับอันนี้มันเกี่ยวกับบุญนะ ให้สังเกตดูตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่พระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาพระองค์ถามภิกษุก็ดีหรือถามอุบาสกถามอุบาสิกาหรือถามเครือหัสถามพวกอาเจรากะถามใครก็แล้วแต่ไม่มีใครที่จะไม่ตอบพุทธเจ้าเนี่ยถ้าถามต้องตอบอันนี้เป็นบุญที่ที่ต้องระดมสัจจะบารมีมาอย่างอย่างแข็งแรงเลยนะถ้าใครปรารถนาที่จะระดมในการที่ ไม่มีใครปิดบังอำมพางเราได้เนี่ยต้องเจริญสัจจะบา ร, รมีให้เต็มแล้วจะไม่มีใครกล้าปิดบังอะไรเราเลยทั้งๆ ท, ที่เรารู้นี่แหละแต่เราต้องการให้เขายอมรับเนี่ยมันมาจากบา ร, รมีทำล้วนๆใช่ไหมมันมาจากเมตตาบา ร, รมีมาจากนีมาจากอทานบารมีมาจากศีลมาจากเนคขมมะมาจากปัญญาวิรยิยะคันติสัจจะที่ฐานนั้นคนที่บาเพ็ญบา ร, รมีเหล่านี้มาเนี่ย เวลาถามคําไหนท่านผู้นั้นก็ต้องตอบทั้งๆไม่อยากตอบก็ต้องตอบนี่นี่คือเป็นบารมียังเราเนี่ยไปถามใครบางคนก็ก็มึนเฉยนั่นแหะแล้วเขาไม่อยากตอบไม่ตอบหน่อยนะตอบหนยนะเขาก็ไม่ตอบอย่าว่าจะตอบหน่อยนะหน่อยนะเลยบอกว่าพูดให้เขาฟังเขายังไม่อยากฟังเลยยังไงรกเพราะผู้มีภาคเจ้าเนี่ยเวลาไปแสดงอะไรที่ไหนทุกคนเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนกันหมดเลยนะบอกว่าขอให้พระพุทธเจ้าพูดให้นาน ปรารถนาที่จะฟังปรารถนาที่จะฟังฟังแล้วประทับใจเหลือเกินชื่นใจเหลือเกินศรัทธามากพอพระพุทธเจ้าหยุดปุ๊บก็มีความสึกเสียดายมากรอว่าพระพุทธเจ้าจักมาโปรดต่ออีกเมื่อไรเนอะคิดอยู่จึงเวลาถึงเวลานิดมาก่อนมาก่อนใครก็จะนั่งหน้านั่งหน้าหมดแล้ยนี่เป็นแบบนี้อันนั้นมาจากบา ร, รมีไว้หรอ ถ้ายางพวกเราเนี่ยมาเกณฑ์กันแล้วเกณฑ์กันใช่ไหมล่ะต่างกันไหมเรื่องบุญเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้เวลาท่านวินิจฉัยก็บอกว่าจิงยอมรับบอกคิดว่าควรจะทำตามใจของมหาชนยิงถามโจนบอกว่าโคเหล่านี้ท่านให้กินอะไรถามโจนก่อนเลยพอรู้ว่าคนนี้รักมาจะไม่ต้องถามคนที่รักมาก่อนถามว่าท่านให้โคกินอะไร ให้กินให้ดื่มแลายนก็บอกโอ้ข้าแต่บัณฑิตข้าพระเจ้าให้ดื่มยาโคให้โคให้ดื่มยาโคให้กินงาให้กินแป้งแล้วให้กินขนมกลมมากขนมกลมมากก็เป็นขนมคล้ายๆห่อด้วยใบตองอะไรนี่ต่อจากนั้นก็ถามเจ้าของโคเลยบอกว่าอ้าแล้วท่านให้โคกินอะไรเจ้าของโคก็บอกว่า ข้าพเจ้าให้กินหญ้าเท่านั้นเพราะข้าพเจ้าเป็นคนจนมโหสถบัณฑิตได้ฟังคอนทั้งสองแล้วจึงให้คนนั้นน่ะให้คนของตอนน่ะนำถาดมาแล้วก็นํำใบปใบยงเอาใบใบยงมาตําใสโครกขยําขยําแล้วก็เล่ยด้วยน้ํำนะแล้วก็ให้โคดื่มเอากอกใส่โคดื่มพอกรอกเข้าไปเบเสร็จปุ๊บโคก็อ้วกอาเจียนออกมา เป็นอะไรแต่เนี้ ย, ยก็กลายเป็นญาเลยมโหสถบัณฑิตก็แสดงแก่มหาชนบอกวันยังไงเนี่ยเจ้าของคนที่ตอบว่าเป็นญ้าติะเจ้าของโอ้เรียบร้อยเลยบอกว่าก็เลยถามว่าเออนี่เจ้าเป็นโจรหรือไม่ใช่โจรโจรก็รับสรารภาพบอกเป็นโจรมโหสถบัณฑิตก็ให้โอวาตจําเดิมแต่นั้นเจ้าอย่าทําอย่างนี้อีกนะต่อมา พอกำลังพูดเงี้ยฝ่ายบริษัทของพระบริษัทเนี่ยนะลมทุบเลยพ่ะบริษัทก็ดูอยู่นะพอดูดูเบ็ดเสร็จก็พอเห็นสักพอสมควรแล้วก็ห้าม <c oughs> อือ้าวทำไมห้ามเบ็ดเสร็จก็เอามาอบลมต่อ <c oughs> ที่จริงก็คือว่ากล่าวสอนบอกว่าเจ้าจงเห็นทุกข์ณปัจจุบันนี้เจ้าจงเห็นทุกข์ณปัจจุบันนี้ อันนี้ทุกในปัจจุบันยังเจ็บปวดถึงป่านนี้แต่กรรมที่เธอทําที่ท่านทําจะลงสู่ลบในการต่อไปนะก็ชี้โทษในปัจจุบันชี้โทษในอนาคตที่จะเห็นว่าต่อไปกระแส ช, ชีวิตของเธอจะเจ็บปวดยังไงของของท่านจะเจ็บปวดยังไงก็ให้รับเบญจศีลให้รับกุศลกรรมวัตสิทธิ์ว่าอย่างนี้ถ้าข่าศัตว์จะเป็นอย่างนี้ถ้ารักท ร, รัพย์จะเป็นอย่างนี้ถ้าประพฤติผิดในกรรมจะเป็นอย่างนี้ถ้าพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบจะเป็นอย่างนี้ พูดเพื่อเจอจะเป็นอย่างนี้แล้วถ้าโลภถ้าโกรธแล้วถ้าเห็นผิดจะเป็นอย่างนี้ถ้าดื่มสุรามีอะไรจะเป็นโทษบอกเหตุบอกผลไปเสร็จก็ให้โจรนนะั้นรับเบญจศีลไปเสร็จก็ส่งกลับไปนี่เด็กเจ็ดขวบถามหนะ่อยว่าตอนเจ็ดขวบเคยให้ศีลใครบ้างเนี่ยน ะ, อะตอนเจ็ดขวบเนี่ยเคยเคยแนะนำให้ใครรักษาศีลได้สักกี่คน นี่นี่นี่เข้าใจปัญญาหรือยังว่าถ้ามีปัญญาเนี่ยนอกจากตนเองจะตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมแล้วเนี่ยก็ยังสามารถทําให้คนอื่นนั้นน่ะตั้งมั่นในกุศลธรรมด้วยนี่เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากจริงๆน้เนี่ยไม่ใช่เกิดมาเพื่อตอนเองอย่างเดียวเท่านั้นทีนี้พอนําเรื่องนี้ใช่ไหมก็นั่นแหละบัณอมตะทั้งหลายก็นําเรื่องนี้ทูลพระราชาพระราชาก็บอกว่าบอกแกสเนกาบัณฑิตว่าท่านอาจารย์สเนกา ควรจะรับบัณฑิตมาแล้วหรือยังสเสนอกรับบัณฑิตก็แค่คดีโคแค่ในี้ใครๆก็วินิจฉัยได้ไดว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตตัวเย็นเพียงเท่านี้ขอให้ทรงรอไว้ก่อนเรางั้นพระราชาเนี่ยทรงวางพระองค์เป็นกลางก็ทรงส่งข่าวไปอย่างนั้นอีกนปราดก็เพิ่งทราบวิธีประกอบตรงนี้ก็คือหมายความบอกว่าเพราะหลังจากนั้นเบ็ดเสร็จต่อมาก็เครื่องนะเรื่องเครื่องประดับเรื่องเครื่องประดับคือ ผลประกอบหรพระราชาก็ยังไม่ยอมรับบัณฑิตนี้ปต่อมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเครื่องประดับเครื่องประดับที่ทำเป็นป้องๆเคยเห็นหมเหมือนสร้อยมีใครที่ชอบใส่พวกสร้อยแล้วเจาะรูอ่ะเจาะรูแล้วจะมีพวกด้ายหรือมีพวกเชือกเน่ร้อยตรงกลางนะนั่นแหละเป็นเครื่องประดับที่มีค่ามากทักได้สีต่างๆจะคอวางไว้บนผ้าสาดกนะลงสู่สาบกขรนี เมื่ออาบน้ําหญิงสาวรุ่นหนึ่งเห็นเห็นกล่องเครื่องประดับก็เกิดความโลภขึ้นมาใช่ไหมมาอาบน้ําที่สระบกกรณีของโหสดนั่นแหละก็วางเครื่องประดับเข้าไว้หญิงคนหนึ่งเห็นว่าโอ้เครื่องประดับนี่งามเหลือเกินเธอทํามาราเขาเขาใดแม้ฉันก็จัดทารูปเหล่านี้ตามควรแก่ศิละปะของตนว่า ง, างั้นคุยไปคุยมากล่าวชมอยนี้แล้วก็หยิบเครื่องประดับไปเลยก็คือรักเอาไปเติมหน้าติมตาว่างั้นหญิงทังกล่าวก็จึงพิจารณาดูว่า ตรงนี้ก็เลยวิ่งตามไปนะจะถือเครื่องประดับของฉันไปไหนก็เถียงกันไปเถียงกันมาเบีดเสียที่สุดจริงๆก็ไปที่เนี่ยมโหสถบัณฑิตนี่คือรักของเป็นเครื่องประดับฝ่ายมโหสถบัณฑิตเล่นอยู่กับพวกเด็กๆนี่ยังเล่นอยู่เลยนะเด็กก็คือเด็กใช่ไหมเด็กก็คือเล่นเล่นเล่นอยู่กับเด็กนั่นแหละเล่นเ ล, นเ ล, นเลนอยู่อ้าวมีเรื่องมาอีกแล้วเดี๋ยวไปแก้คดีความก่อนต้องไปนั่งที่ ต้องไปนั่งธรรมาดแก้คดีความจริงๆมองดูแล้วก็นะก็เด็กนะบางทีความเด่นอ ย, ดกกด อ, ยอย่างเด็กก็เกิดอย่างอย่างเด็กก็เกิดในขณะเดียวกันความเป็นอัจฉริยะก็ไหลามาเป็นระยะไหมก็ไหลามาเป็นระยะระยะระยะได้ฟังเสียงของหญิงทั้งสองทะเลาะกันไปทางประตูสลาถามว่า น, นั่นเสียงอะไรได้ฟังเหตุที่หญิงทั้งสองทะเลาะกันก็เรียกเข้ามา ไม่รู้โดยอาการนะว่าหญิงคนนี้เป็นขโมยเห็นปั๊บรู้ด้วยนะว่าใครเป็นหัวขโมยใครเป็นเจ้าของหญิงนี่ไม่ใช่ขโมยก็ถามเนื้อความเหล่านั้นก็กล่าวว่าเธอทั้งสองจักยอมรับค่าวิจัยของชั้นหรือไม่หญิงทั้งสองบอกกันรับว่างั้นนะจะรับการวิจัยของท่านเพราะท่านมีชื่อเสียงเนี่ยก็ถามหญิงหัวขโมยก่อนว่าเธอยอมเครื่องประดับนี้ด้วยของหอมอะไร เดีไม่เครื่องประดับเนี่ยจะปกติผู้หญิงจะต้องยอมด้วยของหอมนี่ฉะนั้นยอมด้วยของหอมอะไรหญิงหัวขโมยก็เริ่มคิดวางแผนในใจแล้วเฮ้ยโดนถามอย่างเนี้ยนะวางแผนแล้วบอกว่าข้าพเจ้ายอมด้วยของหอมทุกอย่างบอกของหอมหลายหอย่างรวมกันนะ่ะเอามาย้อมเครื่องประดับของหอมที่ทําของหอมที่ประกอบด้วยทั้งปวงเลยทุกอย่างมโหสถดบันดีก็ถามเจ้าของบอกว่า น, นางก็เต่าข้าพเจ้าเป็นคนเข็นใจ ของหอมทุกอย่างมีแต่ที่ไหนก็พ เ, เจ้ายอมด้วยของหอมคือดอกประยงเท่านั้นออกออ็ดอกประยองอะ่ะดอกประยงอไรพวกนั้นมายอมพระโพธิสัตว์มหาบัณฑิตมโหสถบัณฑิตก็เลยให้คนน่ะของตนกําหนดคําของหญิงทั้งสองไว้แล้วก็นําน้ําใส่ภาชนะมาแล้วก็ให้เอาเครื่องประดับแช่พอแช่เครื่องประดับสักระยะหนึ่งใช่ไหมระยะหนึ่งบีย เ, เสร็จแล้ว แล้วท่านจงดมเครื่องประดับนั้นว่ากลิ่นอะไรก็ให้ที่ท่านบอกว่าของหอมทุกอย่างไม่มีมีแต่กลิ่นดอกประยองล้วนหญิงนักเลงคือหญิงหัวขโมยกล่าวคําเท็จหญิงแก่คือหญิงนั้นเป็นเจ้าขอ ง, ของกล่าวคําจริงก็แปลว่าพอแช่เบ็ดเสร็จนี่นะไอ้น้ำนะพอแช่เบ็เสร็จแล้วกลิ่นของประยองดอกประยองมันก็ขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกคนดมดูนี่กลิ่นเลยรวอ๋อกลิ่นเรียบร้อย เหลือกเกินไหมปัญญาไหมเนี่ยอย่างเราใครมาถามเอมันจะจะแก้ยังไงใช่ไหมเนี่ยในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกาเรียกหญิงนักเลงไอ้คาว่านักเลงเนี่ยเขแปลว่าอะไรอะหญิงนักเลงนี่ยเขาแปลว่าอะไรก็หญิงหัวขโมยอะก็เรียกนักเลงผู้หญิงที่ชอบขโมยเขาเรียกนักเลงนะเออมีสาบอยู่สาบหนึ่งนะที่สามีด่าภรรยาจะใช้คําว่าอ e ีนะขอไปเนะคําว่านักเลงต่อท้ายเนะี่ย ในในในในตำราพระไตรปิฎกเน่จะใช่อย่างนี้ก็คือภรรยาที่สามีหาทรัพมาแล้วก็ผ่านเกลี้ยงเลยค่งหัวกโมยดีดียอมเป็นเงี้ยไหมไม่เป็นเนาะตรงนี้ก็เรีำดับนั้นพระโพธิสัตว์ก็ยังมหาชนให้รู้เหตุการณ์แล้วก็ถามเธอเป็นกมยหรือแล้วก็ให้สารภาพจำเดิมแต่นั้นมามหาสัตว์ที่เป็นบัณฑิตก็ปรากฏแกมหาชน ที่สุดจริงๆก็ส่งข่าวไปให้พระราชาพระราชาก็ถามสเสนิกาบันดิตเสนิกาบันดิตก็ปฏิเสธว่าแค่การแก้ปัญหาแค่เครื่องประดับแค่นี้ยังพอยังไม่ควรนำมาอีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มได้มีสตรีคนหนึ่งรักษาอยู่ไร่ฝ้ายนะเฝ้าไล่ไล่ได้เก็บฝ้ายที่บริสุทธิ์ในไร่นั้นมาเป็นมามามาปั่นเป็นเครื่องเส้นเล็กๆแล้วก็เอาเม็ดเอามาเม็ดมาพับวางไว้ข้างใน คือใครเคยเห็นเขาทาไล่ไฟไหมทําไล่ไฟแล้วก็มาทําเป็นได้ทําเป็นได้เบ็เสร็จเนีคือเอามาปั่นปั่นปั่นปั่นเบ็เสร็จก็เอาทำเป็นเป็นเป็นเป็นได้เป็นเป็นได้เบเส็จเป็นเส้นนั่นเองแล้วก็ม้วนม้วม้วนกลมแต่ข้างในก็เอาลูกเม็ดเอาเม็ดมาพับใส่เข้าไว้ก็วางเป็นกลมๆกลมๆเข้าไว้เพื่อจะเอาไว้ไปทอผ้าใช่ไหมก็ห่อใหญ่อย่างเงี้ยถ้าเป็นก้อนมาอย่างเงี้ย เออไว้ข้างในเลยไม่ได้ไปกำมันแกนแร้แทําให้มันแน่นไงถ้าอย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นเป็นแข็งแข็งอยู่ข้างในเลยเนี่ยเวลาพันขึ้นมามันก็จะเหลวใช่ไหมอันนี้จะได้มีแกนอยู่ข้างในก็เลยหอ่อทีนี้ต่อมาก็เลยนั่นแหละเก็บไว้ในพกแต่พอจะอาบน้ําในสาบบุกครณีของท่านบัณฑิตก็วางกลุ่มนะีกลุ่มได้นะั้นน่ะได้ได้นะั้นไว้บนผ้าสาดกแล้วก็ลงไปอาบน้ําก็ยังมีหญิงคนหนึ่งนะ เห็นกลุ่มได้นันก็ถือเอาด้วยจิตมีความโลภก็พูดว่าโอ้ได้นี่สวยดีนะท่านทำหรือว่าเป็นเหมือนอยากขอดูแล้วพอได้โอกาสก็ใส่ห่อพกของตนเองก็หนีไปทีนี้ต่อมาหญิงคนนี้เอาเห็นเห็นก็รีบลุกขึ้นมาเนรีบรีบลุกขึ้นจากน้ำเบสเซตก็วิ่งตามไปก็ไปดึงก็ไปยื้อแย่งกันอยู่เบสเ็ตนี่ที่สุดจริงๆก็เนี่ยเรื่องนี้ก็เขาก็พากันไปหาที่มโหสถบัณฑิตอีก โมโหสถบัณฑิตเขียนปบก็รู้อีกว่าคนนี้ขมโมยคนนี้เป็นเจ้าของพิการอ่านสถานการณ์คืออ่านอ่านเหตุการณ์ออกแล้วก็มองป๊บก็รู้ว่าใครเป็นเจ้าของใครเป็นใครเป็นเจ้าของหรือใครเป็นใครเป็นหัวขมโมยทีนี้พอมโหสถก็ถามไงก็ถามว่าเออเธอจะสามารถแต่ถ้าเราจะวิจัยเธอทั้งสองก็จะ จะเชื่อยอมรับคำคาตัดสินของเราไหมเธอก็บอกยอมรับก็เลยถามบอกว่าถามคนถามหัวขโมยก่อนบอกว่าเออมโอหสถดก็ถามบอกว่าตนเนี่ยนะบอกว่าหญิงหัวขโมยข้าพเจ้าใส่ใส่ผลฝ้ายนั่นเองไว้ข้างใน ก็คือเอามาเล็ดฝ้ายไว้กัค่อยคำนวณว่าในนี้มันจะต้องมีเมล็ดฝ้ายเพราะมันทําจากฝ้ายใช่ไหมก็เลยบอกว่าใส่เมล็ดฝ้ายก็เลยถามฝ่ายหญิงหญิงคนเจ้าของก็บอกว่าเมล็ดพับที่ส่วนจริงแก้มาก็เป็นเนี่ยก็เลยก็เลยก็เป็นไปในทางเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ให้คิดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องบุตรในเรื่องการตัดสินเรื่องบุตรเรื่องนี้ยาวนิดนึ่ง จะจะกลับไปดูในสภาพของปัญญาที่อยู่ในคําสอนและจะมาชี้ประเด็นตรงนี้ด้วยนะมีหญิงสตรีนางหนึ่งนพาบุตรไปที่สาบวบกกรณีของมอโหสถใช่ไหมเพื่อจะล้างหน้าก็บุตรวางไว้แล้วก็นั่งที่บนผ้าสาดกของตนน่ยตนก็ล้างหน้าในขณนะนั้นเองมียักษศ์ศรีตัวหนึ่งเห็นทารกก็เกิดอยากจะกินก็แปลงกายเป็นเพศเป็นสตรีมาก็ถามว่าเน่ยสหายทารกนี่งามนักเป็นบุตรของของเธอหรือ ขันสตรีมารดาทารกนั้นรับเป็นบุตรของตนก็กล่าวว่าฉันจะได้ดื่มฉันจะให้ดื่มนมของตัวเองนะหวังงั้นเมื่อสตรีมารดาทาลกอนุญาตแล้วเขาก็อุ้มทารกนั้นให้เล่นหน่อยหนึ่งแล้วก็พาทารกหนีไปเลยแท้จริงก็คือยาเด็กไปกินเนื้อสตรีมารดาทาลกเห็นดังนั้นก็ขึ้นแล้วก็วิ่งอย่างรวดเร็วนะยึดผ้าสาดอกไว้บอกจะพาบุตรของเราไปไหนนางยักษ์สิเียเจ้าได้บุตรมาแต่ไหนนี่บุตรของเราต่างหากกระเทียงกันไปเลยเนีลยไปๆมาก็ไปที่พระโหสุ โมหสดได้ฟังแล้วรู้ว่าก็พิจารณาดูหญิงทั้งสองปบทำโมโหสถ ร, รู้นะว่านี่เป็นมนุษย์นี่เป็นยักษ์เขาบอกว่าอู้นี่ยักษ์เนี่ยเพราะในตาไม่กระพริบในตาก็แดงและในตาก็ไม่มีเงาก็พิจารณาดูอันนี้เวลาไปดูผู้หญิงก็สังเกตตาด้วยเนี่ยกระพริบมหม ตาแดงไหมแล้วก็มีเงาพอเกิดไม่ค่อยแน่ใจขึ้นมายายถามว่าเอ๊ะนี่เป็นยักษ์หรือเปล่าใช่ไหมยักษิซีนียักษิซีนีคือยักษ์ผู้หญิงจริงๆมนุษย์ยักษ์มีอยู่จริงไหมมีไม่มีเป็นสัตว์อีกภพหนึ่งนะยักษ์นี่เป็นสัตว์อีกภพหนึงนะ ยักษ์นี่อยู่ในประเภทที่ต่ำหรือสูงกว่าเราฮะต่ำหรือสูงกว่าเราสูงกว่าเลยฮะต่ำหรือสูงกว่าเราฮะมีทั้งสอง่ามีทั้งสองอ่งแล้วอธิษฐานถ้าสูงกว่าเราก็ปรารถนาเป็นยักษ์บ้างไหมอาเราว่าก็ายักษ์ก็เป็นยักษ์นะใช่ไหม จะเป็นพระโสดาบันแล้วนี่ฮะงั้นเออพระเจ้าพิมพิสารเป็นยักษ์ไหมเป็นแล้วไปเป็นยักษ์เหมือนกันแต่ว่าเป็นเทวดาอยู่ในชั้นจาตุ้มในชั้นจาตุมหาราชก迦นี่ก็อันนั้นก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตอนที่เป็นพระราชาเลยจะตายไปก็เลยเป็นกายลูกน้องของเท้าเวสวัด เออพระพระเจ้าพิมพิสารตอนจะตายนี่ท่านท่านทรมานมากโดนตัดฝ่าเท้าแล้วก็โดนเผาเป็นเหมือนไม้ใช่ไม้เหมือนไม้ตะเคียนเนี่ยมาเผาย่างเท้าของท่านจากที่ท่านมีปีติดีนี่แหละพอตัดหนังเท้าออกเลยสภาพปีติเพราะท่านไม่ได้กินอะไรเนี่ยท่านอยู่ในปีติในพุทธคุณนะสภาพปีติก็หายไปทันทีเพราะ ทุกเวทนาเกิดมากประดุดดังไอ้ไม้ที่ถูกไฟมันเหี่ยวลงมาขนาดไหนท่านก็ร้องทรมานงั้นท่านตายท่านตายเนี่ยแต่ว่าความเป็นพระโสดาบันของท่านปิดอใบพรมนะแต่ท่านได้เป็นเป็นยักษ์แต่ก็เป็นพระโสดาบันอย่าไปห่วงท่านเลยห่วงตัวเองเนี่ยนึ <c oughs> <c oughs> พระโสดาบันไม่ห่วงเลยท่านใช่ไหมโอ้โหนี่บูชาท่านพระเทวีพระอิยะแต่พวกเรานี่สีจะไปไหนเนี่ยกติพบหน้าเนี่ย จะไปไหนกันเนี่ยยังไม่ได้ปิดได้สักภูมิเลยใช่ไหมถึงบอกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องทิศเนี่ยเบื้องนี้ก็คือว่าเราเป็นมาหมดแล้วทิศเบื้องหน้าเคยเป็นหรือยังเป็นพ่อเป็นแม่เคยหรือยังทิศเบื้องขวาเป็นอาจารย์เนี่ยเป็นครูอาจารย์เนี่ยเป็นไว้ยังเคยเป็นอาจารย์ใหญ่ทรงพระไตรปิฎกก็เคยมาแล้วทิศเบื้องซ้ายเป็นเพื่อนเป็นมาหรือยัง ทิศเบื้องหลังเคยเป็นบุตรเคยเป็นภรรยาเคยเป็นสามเป็นมาแล้วนะเป็นนาเป็นอาเป็นต้นทิศเบื้องต่ำเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลูกน้องเนี่ยเป็นทาทกรรมกรเป็นมาแล้วทิศเบื้องสูงเป็นสัมมาพราหมกก็เคยเป็นมาแล้วทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกอนุทิศอีก4ทิศเบื้องต่ําทิศเบื้องบนไปมาหมดแล้วเหลืออยู่ทิศเดียวที่ยังไม่เคยไปคือพระนิพานซึ่งเป็นอุดมทิตย์ ใช่ไหมเรานอกนั้นไปมาหมดแล้วเป็นมาหมดไม่เคยไปเลยในทิศไหนเ น, เนี่ยแต่ไม่เคยไปอยู่ทิศเดียวคือพันธิพานพันธิพานจัดเป็นทิศได้นะเป็นอุดมทิศเป็นอมตะทิศทิศที่ไม่ตายตรงนี้ก็คือว่าก็ถาม พอเห็นเบ็ดเสร็จอย่างนั้นก็เลยถามว่าเธอทั้งสองจะรำยอมรับคำวินิจฉัยของเราหรือไม่เมื่อได้รับคำตอบว่าจักตั้งอยู่ในคำวินิจฉัยของท่านมโมศบัณฑิตก็จึงขีดรอยที่ที่แผ่นดินเลยใช้ไม้ขีดให้ทารกนอนกลางรอยขีดนะให้หญิงผู้เป็นมารดาจับที่เท้าแล้วก็กล่าวว่าเธอทั้งสองจงฉุดข้าวไปนะแล้วก็ให้หญิงที่เป็นยักษ์ศี จับทางมือทางด้านหัวเนี่ยให้ทั้งสองคนดึงใครก็ชากไปได้แสดงว่าคนคนนั้นจะเป็นแม่โอ้โหคนเป็นแม่จริงๆปวดรล้าไหมทีนี้ก็ทารกนั้นเน่เป็นบุตรของผู้สามารถเอาไปได้ว่างั้นนะนางทั้งสองก็ดึงทารกทารกเนี่ยที่ถูกดึงน่นะที่แรกก็จับแม่ก็ต้องจับเท้าอยู่แล้วใช่หมที่แรกอะ ไฟนางยักษ์ิีนีก็จับมือข้างบนเนี่ยพราะจับก็ดึงดึงเด็กก็ร้อ ง, องเนี่ยมันเจ็บมาเนอะเนอะพราะร้องหัวใจแม่แทบแตกเลยไหมบเบสเซตแม่ก็ร้อร้องไห้กอดหัวใจอ่อนนนะทีนี้ใจของมารดาก็แทบจะหลุดเลยร้องไห้ปล่อยทันทีเลยแล้วก็ร้องไห้เนี ก็เหมือนกับหัวใจจะแตกก็ปล่อยบุตรบุตรแล้วก็ยืนร้องไห้มโหสถบัณฑิตก็ถามมหาชนว่าใจของมารดาทารกในอ่อนหรือว่าใจของหญิงไม่ใช่มารดาอ่อนพราะงานใครใจแข็งใจอ่อนก็นกัรเนี่ยใจของมารดาอ่อนกว่าเขาก็ถามโมโหสถก็เลยถามมหาชนว่าบัดนี้เป็นอย่างไรหญิงที่ดึงทารกยืนอยู่เป็นมารดาหรือหญิงผู้สละทารกยืน บอกว่าหญิงที่สามารถฉุดฆ่าไอฉุดเด็กไปได้เป็นมารดาหรือว่าคนที่ยืนร้องไห้เป็นมารดากันเนี่ยมาชนก็บอกนั่นแหละที่ยืนร้องไห้เป็นมารดาใช่ไหมโมสถ์เก่าถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงรู้ว่านางเนี้ยเป็นคนขโมยทาโกมาชนก็มาช น, ก, าชนก็ตอบว่าไม่สโหสถจึงกล่าวว่านางนี้เป็นยักษ์สีนีฆ่าทาโกไปเพื่อจะกิน มหาชนก็ถามว่ารู้ได้อย่างไรบวชสถก็ตอบว่ารู้ได้อย่างไม่ต้องสงสัยพราะยักษณีในตาเนี่ไม่กระพิบท่านทั้งหลายดูทุกเอาลเลยทีนี้ในตาก็แดงไม่มีเงาด้วยแล้วปราศจากความกรุณาลำดับนั้นพระเวสสันก็ถามยิ่งวเธอเป็นใครเห็งไหมยักษ์ไม่กล้าปฏิเสธคนมีบุญเหมือนนีน้อย่างเราๆเนี่ยลองไปต่อหน้าพระเยรีบดินเนี่ยเมื่อเราพระเยรีบดินตรัสถามแต่ละคำเนียกล้าโกหกไหมเนี่ย บอกโอ้ไม่ไหวแล้วจะาเอาแค่อย่างนี้นะบุญขนาดนี้นะพระบริษัทบุญมากกว่านี้เยอะนะคนละบุญกันเลยนะคนละบุญกันเลยนะทีนี้บอกมาพระบริษัทกระซักตอไปว่าจะเอาทารกไปทำไมยักษีเอาไปกินรบริษัทก็ตอบว่าแน่นางอันพานอันพานเนี่ยอันท้ายแป๊บบอดก็ได้นะคนโง่ด้วยคนบอดด้วยนะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ย เองก็ทําบาปก็เกิดเป็นยักษ์เซนีอาทำบาปเขาไว้เยอะจึงมาเกิดเป็นยักษิเนีแม่บัดนี้ยังกระทาบาปอีกโอ้เองนี่เป็นอนันาพาันแท้วางงันเอาอะไรเนี้ยลักษณะของผู้นําออกแล้วเนียลักษณะของความความไม่กลัวเออพระพุทธศาสน์ทนี่ไม่กลัวเนี่ยหนึ่งทำไมจึงไม่กลัวเพราะไม่เคยทำบานาดิบาสมาอย่างยาวไกลในสังสารวัฏ เออทำไมจึงไม่จนเพราะไม่เคยรักทรัพย์ทสงสารแล้วว่าเออทาไมมีบริวารไม่แตกแยกเพราะไม่ได้ทําการเมตสุมิจฉาจาร์เป็นต้นเอพูดไปทําไมคนเชื่อถือเพราะสัจจะบา ร, รมีเป็นต้นเม้าหูเนี่ยทำไมฉลาดมากเพราะไม่เคยประทุษรายสติสัมปชัญญะเลยหรือเยอะแยะหมดเลยนะเนี่ยกรรมที่ทํามาทั้งนั้นเป็นคนที่อาถรรพ์มากเป็นคนที่อาถรรพ์ไม่กลัวแม้ความตราความตายปรากฏเฉพาะหน้าก็ไม่กลัว ให้ยักษ์เนีตั้งอยู่ในเบญจศีลเลยก็อบรมเลยนะนะี่ะบอกว่าที่มาเกิดเป็นยักษ์เนี่ยเพราะกรรมอะไรรู้ไหมก็สอนยักษ์สอนได้เนี่ยเพราะยักษ์นี่ปฏิสนธิด้วยไตรเหตุกัลปฏิสันติก็มีทวิเหตุกุกัลปฏิสิ่งก็มีใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งก็คืออัธยาสัยที่เป็นยักษ์มาก็เพราะไปทํากรรมชั่วมาได้มีการปาณาติบาตอินนาทานเป็นต้นเนี่ยกรรมเหล่านั้นส่งผลใน ปฏิสนธิการประเภทที่กุศลกรรมส่งผลก็จริงอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็มีอกุศลกรรมแวดล้อมเป็นอัธยาศัยอย่างรุนแรงเหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะบางคนเนี่ยเกิดมาที่เป็นมนุษย์เนี่ยทำไมอัธยาสัยชอบที่จะฆ่าสัตว์รักษาความผิดในกา ร, รมรู้ไหมเพราะว่ากรรมที่มาให้ผลในประวัติการเนี่ยรุนแรงมากกลุ่มบุคคลเหล่านี้เวลาทํากรรมเนี่ยก็ทํากรรมที่มีอกุศลแวดล้อม1กุศลเกิดหนึ่งส่วนเนี่ยนะบาปเกิดสะพันส่วนอย่างเงี้ยนะ ลักษณะอย่างเงี้ยกุศลเกิดหนึ่งส่วนบาปเกิดพันส่วนกุศลเกิดหนึ่งส่วนบาปก็เกิดพันส่วนลักษณะอย่างนี้ก็เรียกมีบาปเป็นอัธยาศัยแต่ด้วยอํานาจแห่งเกาะในใกล้ตายมารณาสถานการตัวกุศลกรรมมันให้ผลกันนาปฏิสิทธิ์ที่เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาแต่อัธยาศัยที่ ท, ที่ชอบทําผิดทําชั่วทั้งหลายเหล่านี้ยก็แวดล้อมที่ฝังแน่นในอัธยาศัยอย่างยาวไกลนี่ก็เราก็เห็นเยอะแยะเหมือนคนบางคนเนี่ย มีอัตยาสัยที่ว่าเออก็ไม่ได้และสังเกต ด, ด้วนะบาปของแต่ละบุคคลเนี่ยแรงไม่เท่ากันนะบางคนก็โลภะบางคนก็โทสะ บ, บางคนก็โมหะใช่ไมถ้าสามกลุ่มเนี่ยนะแล้วยังมาแยกย่อยนะทิฏฐิบ้างมานาบ้างทีนามิท้าบ้างอุทธจาร ก, กุจากกจาบ้างวิจิกิจชาบ้างก็แล้วแต่ว่าอัตยาสัยของใครจักมีอกุิรกรรมประเภทนี้ลุ่นเลยให้ยักษณีตั้งอยู่ในเบญจศีลแล้วก็ปล่อยตัวไปฝ่ายมารดาของทารกนั้น บอกว่าจงมีอายุยืนนานเถิดนายชื่นชมโมโหสดแล้วก็พาบุตรหนีไปตรงนี้ตรงนี้ถ้าเรามองในชั้นคาสอนเนี่ยนะในรายละเอียดในเรื่องนี้ยาวมากยาวแต่ว่าต้องการอยากจะให้เราทั้งหลายได้ดูในชั้นของปัญญาเนยบอกว่าให้เพื่งพิจารณาบอกว่ามนสิการถึงปัญญาคุณว่าธรรมดาเนี่ยทางทั้งหลายเป็นต้นเว้นจากปัญญาแล้วจากบริสุทธิ์ไม่ได้ ความบริสุทธิ์แห่งศีลความบริสุทธิ์ของทานนกุศลเนี่นะเป็นต้นเหล่านี้เนะีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาจากสุขอันลืมแล้วได้ให้อวั ย, ยวะน้อยใหญ่ของตนเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเป็นผู้เกิดโสมนัติในการทั้งสามฉะนั้นเวลาพวกโพธิสัตว์น่ยหนึ่งไม่ว่าถึงทรัพย์สมบัติภายนอกที่มีทั้งหมดก็เพียงเพื่อ อ, อุปการะแก่สัตว์อื่นเท่านั้นแม้อวัยวะทุกชิ้น ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับทั้งหลายก็มีไว้เพื่ออุปการณละแก่สัตว์อื่นเท่านั้นฉะนั้นเมื่อให้ทานเมื่อให้ทานเนี่ยนะเพราะบริษัทเวลาเจริญทานกุศลด้วยการที่มีปัญญาเป็นบุเรียาริกมีปัญญานำหน้าเวลาท่านเจตนาทานท่านไปกระตุ้นอะไรกระตุ้นอโลภา ค, คือความไม่โลภให้เด่นขึ้นเพราะความไม่โลภเด่นขึ้นชัดขึ้นมีกําลังมากขึ้นความไม่ติดข้องในวัตถุ ไม่ยืดยองไม่ยืดติดในวัตถุก็มีกำลังมากขึ้นและในขณะเดียวกันเจตนาทางของท่านไปกระตุ้นอาโทสะคือความไม่โกรธสภาพจิตใจก็ผ่องใสขึ้นปราบลืล่มขึ้นเพราะอาโทสามีกำลังใช่ไหและในขณะเดียวกันเมื่ออาโทสาวมีกำลังเนี่ยสภาพของความอดทนความอดทนในการที่ต่อสู้กับอุปสรรคแม้ใครจกมาปทุษร้าย ขัดขวางเพื่อจะไม่ให้ตนเองเดินทางในกุศลแต่อโทสานั้นก็สามารถป้องกันอันตรายเหล่านั้นได้เพราะอะไรอโทสนั้นรักษาสภาพใจไม่ให้เสียเจตนานั้นก็ไปกระตุ้นปัญญาคืออมโมหะให้มีกำลังเด่นขึ้นฉะนั้นสภาพของปัญญาก็มาทากิจในการที่รู้ปัจจุบันเหตุรู้อนาคตผลใช่รู้ปัจจุบันอผลมาจากอดีตเหตุยังไง ร, รู้เหตุรู้ผลรู้ผลรู้เหตุชัดเจนในเหตุและผล สรุปแล้วเมื่อความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญาเด่นชัดขึ้นในกระแสชีวิตของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์จึงเกิดสมนัติในการทั้งสาได้โดยไม่ยากเลยก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมสายให้แล้วก็ปลื้มใจเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเจตนานั้นกระตุน้นเตือนธรรมะที่เกิดร่วมกันกันกบตนก็คือกระตุ้นให้อโลภะเด่นขึ้นกระตุน้นเตือนชักนาให้อโทสาคือความไม่โกรธ เด่นขึ้นก็ต้นเตือนชักนําปัญญาให้ทํากิจในการเด่นขึ้นโดยเฉพาะปัญญาก็เข้ามามีบทบาทในเรื่องของการจําแนกแจกทานในกุศลไม่ว่าจะเป็นแจกวัตถุภายนอกทั้งหมดก็ม่มีการติดข้องเลยถามว่าเพราะอโลภะเด่นจึงไม่โลภในวัตถุนะจึงไม่โลภเพราะโทสะเด่นจึงไม่ติดข้องจึงไม่ไปเศร้าหมองกับปฏิฆาหผู้รับเพราะปัญญาเด่นจึงเห็นกรรมและผลของกรรมอยู่้ะ ฉะนั้นเมื่อสภาพของศรัทธาก็เด่นวิริยะสติสมาธิปัญญาก็เด่นสภาพของกูรูสนกล่าวขึ้นนามธรรมทั้งหลายจึงสละวัตถุภายนอกได้อย่างง่ายดายแม้วัตถุภายในคืออวัยวะทุกชิ้นที่ก้าสละผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับง่ายมากเพราะกลุ่มนามธรรมทั้งหลายที่ถูกเจตนากำเนี่ยนะถูกเจตนากรรมทั้งหลายกระตุ้นเตือนชักนาอัธยาศัยในการฝังแน่น ทานนะบรารมีทานนะเจตนาอโลพาทานก็ดีวุรติทานก็ดีที่ประชุมในใจของพระโพธิสัตว์จึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดเลยนะเขาถึงบอกว่าทานจึงเป็นทั้งหมดของชีวิตของท่านเราทำได้ไหมล่ะ ว, ว่าสักวันหนึ่งเราจะประชุมความรู้สึกว่าทุกความคิดที่เกิดขึ้นในชาวนะเนี่ยเป็นเจตนาทานที่มีอโลภเด่นอโทสะเด่นและปัญญาก็เด่นชัด แมในการทั้งสามก่อนให้ดีใจขณะให้ก็เลื่อมสยให้แล้วก็ปลื้มใจปราศจากการกำหนดดุดต้นไม้ที่เป็นยาเนบอกโอยพิจารณาถึงขนาดว่าโอ้ยต้นไม้ที่เป็นยาเนี่ยใครต้องการกิ่งไปทำยาใครต้องการดอกไปทำยาใครต้องการใบไปทำยาใครต้องการ เปลือกไปทำยาใครต้องการกรบพี้ไปทำยาใครต้องการรากไปทำยาใครต้องการํำต้นไปนทำยาต้นไม้ไม่เคยสะทกสะทานไม่เคยหวั่นไหวไม่เคยปริเทวนาการเลยไม่เคยร้องขอเอาค่าไปทำไมเลยนะแม้ฉันใดอวัยวะของพระบริษัททั้งหลายที่มีพระองค์ก็วางใจประดุดรังต้นไม้ที่เป็นยา เชิญท่านทั้งหลายมาเอาไปเถอะใครอยากได้ตาเราจะควักตาให้ใครอยากได้หูเราจะตัดหูให้ใครอยากได้ปอดเราจะตัดปอดให้ใครอยากได้ไตเราจะตัดไตให้ใครอยากได้หัวใจเราจะควักหัวใจให้ใครอยากได้ชีวิตเราก็จะให้ชีวิตท่านนะเข้าใจอย่างเดีนี่อะไรเด่นกลมกุศลธรรมในใจเด่นท่านเห็นสาถึงบอกว่าตรงนี้เนี่ย เวลากล่าวในเรื่องเหล่านี้หรือทำความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ท่านทั้งหลายต้องคิดให้เป็นเพราะคิดไม่เป็นหลายฝ่ายจะไปเข้าใจว่าให้ทานเกินบบบ